ท่านสาธาณชนพุทธบริษัทและลูกหลานที่รักวันนี้คงพกกันในเรื่องราวของมโหสถบัณฑิตตามเคยเป็นอนุ่าในคราวก่อนมาหยุดลงตอนที่พระราชาสั่งให้เสน ก, ากนอารย์ันนาสีฆ่ามโหสถปด้ความหลงผิด เชื่อเจ้าคนตรยศแต่มาถอยหลังกลับแล้วเวลากันเคืงกับเสียใจนี่ที่มโหสดเปลีนไว้ว่าพระราชาที่ดีเนี่ยหรือว่าคนทุกคนที่ดีตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านิสสัมมักระนังสยโยใครควรที่ก่อนแล้วยิงทำดีกว่าหมายความมาก่อนที่เราจะทำอะไรก็ตาม ก่อนที Ru ่เราจะพูดอะไรก็ตามเราต้องคิดหาเหตุหาผลให้มันสมควรเสียก่อนไปพิจารณาดูไอวาจาที um, man, ่เราจะกล่าวไปนิกริยาที่เราจะแสดงไปมันเหมาะสมมันมีคุณหรือว่ามีโทษอย่างพระราชานี้จะเสียแก้วมณีคือโบสดเพราะว่าพระราชาเขาเอง หลอดภัยจากการประหารของเทวดาษได้กับพระโเาาอเบปพระมโหสถเป็นสำคัญและยิ่งกว่านั้นบรรดาชนทั้งหลายมากท่านที่มีความสุขกับพระมโหสถเป็นเหตุนี่ที่องค์สมเด็จพระบรมโลคเชสทรงตรัสว่าคนที่ทําอะไรก่อนคิดนั้นมันเป็นคนเลว จะอยู่ในลักษณะไหนก็ตามฐานะเช่นไหนก็ตามไม่มีความสำคัญความดีและความเลวไม่ได้อยู่ที่ฐานะตำแหน่งหน้าที่คนทีโอดตัวว่าเรียนชั้น น, น้นเรียนชั้นนี้สงูงชั้น น, น้นสงูงอย่างนี้เป็นด็อกเตอร์เป็นัณฑิตแต่ว่าถ้ามีความคิดเร็วๆ เ, เ, เขาก็ไม่ใช่คนดีเหมือนกันเราเห็นว่าการบริหารประเทศในขั้การในประเทศ มีหลายคนที่จบเป็นด็อกเตอร์ก็มีเป็นบัณฑิตต่างๆก็มีแต่ก็บางทีมีความสามารถสู้คนจบปบสีไม่ได้ก็มีแต่ว่าท่านที่มีความรู้ดีแล้วก็มีความประพฤติดีปฏิบัตริราชการแผ่นดินให้เป็นไปด้วยดีสร้างความเจริญให้เกิดกับประเทศชาติ สร้างความสุขให้เกิดกับมรนดาประชาชนนั้นหลายส่วนมากก็มีมากฉะนั้นขอบรรดาลู่นหลานทั้งหลายจงจําไว้ว่าคนชั่วก็มีคนดีก็มากว่าคนชั่วหา ย, ยากคนดีถมไปทั้งนี้ก็อะไรข้อท้ายหมายความว่าไอ้คนเลวๆนั่นแหละเขาเกว่าเขาดีเป็นอันว่าถ้าจะไปถามใครว่าคนชั่วหรือ เขาก็ตอบว่าฉันดีกองกินชาติมาเทไรเทไรเข า, าบอกวันดีเพราะเขาดีสมมติว่าเอาสมมติกันนะไม่ใช่เรื่องจริงนะถ้าบาังเอิญพ่อค้ายังโรงงานน้ำตาลเนี่ยเขารวยแสนรวยมีกำไรมากมายสมมติเอานะแต่ถ้าว่าบังเอิญเขาบอกว่านี่ทานทันครับ ถ้าว่าสมมติว่าคนนั้นมีอํานาจในการบริหารประเทศขอท่านช่วยหาเงินให้ผมสักสองร้อยห้าสิบล้านแต่ก็ผมจะทำหนังสือขอไปเป็นสี่ร้อยห้าสิบล้านถ้าได้เงินสี่ร้อยห้าสิบล้านมาแล้วแล้วก็ท่านให้ผมเพียงสองร้อยห้าสิบล้านแล้วก็ท่านเอาไว้เอาไว้สองร้อยล้านท่านช่วยผมได้ไหม สำหรับคนเลวเขาจะบอกกันได้แล้วก็ทําทันทีมันได้เงนินยานี่มาก็เข้ากระเป๋าสักสองร้อยล้านโกโรงงานน้ําตาลทัล้งยี่สิบโรงก็สองร้อยห้าสิบล้านไปแบ่งกันทั้งๆที่เขามีกําไงอยู่แล้วยานี่เป็นต้นที่ต้องปูพูดมานี่ยังไม่มีใครเขาทํานะแต่ว่าสมมติเอาแล้วก็บางทีเข้าสารแยกขายต่างประเทศ แล้วห้ามตามโคต้ามีเท่านี้แล้วก็มีคนจะส่งนอกเหนือจากโคต้าออกไปเพราะกําไรมันดีเพราะว่าท่านก็ณาเชนใบสั่งคําสั่งขีว่าอนุญาตให้เขาสานว่าออกได้ขเขาสานเข้าไปขายคราวนั้นจะได้กําไรเป็นร้อยรยล้านแล้วบอกว่าถ้าท่านเซ็นคาสั่งให้ผมนะผมจะให้ท่านสามสิบล้าน แค่เขียนหนังสือตัวเดียวมันอยู่ในอำนาจเขาเสียงกระแทกลงไปเท่านี้นี่คนไม่ดีเนี่ยเขาทํากันอย่างนี้นะคนประเภทนี้เป็นคนไม่ดีลูกหลานที่รักแน้อมันดีไม่ดีก็ภาษีขาเข้าเขาจะเสียภาษีประมาณเสืิบร้อยล้านเขาก็มาหาคนที่มีอำนาจเพราว่าท่านเรัก ภาษีคราวนี้ผมต้องเสียร้อยล้านแต่ว่าผมต้องการเสียเพียงสามสิบล้านแต่ว่าผมจะให้ท่านเป็นกรณีเปเศษเป็นสมบัติของท่านยี่สิบล้านรวมแล้วผมเสียห้าสิบล้านท่านจะเอาไหมเขียนชื่อตัวเดียวแล้วเขาก็เอานี่เป็นคนไม่ดีมันเป็นคนประเภทนี้เพื่อทํางานประเภทไหนคิดคิดเอาแต่ตัวมีความสุข คเลการเราเลวอย่างนี้ก็มีเคยมีมาในอดีตแต่ถ้าว่าคดาาีการที่ดีเขาก็มีมากฉะนั้นขอลูกหลานที่รักเห็นคดีการแล้วจงอย่าประนามมาชั่วซะทุกคนไปคนไหนร้ายแล้วก็ตัดคนนั้นไปความที่เราเงินที่คนได้ไปทุกบาทมันเป็นเงินของเรา เขารับราว่าเขาจะเป็นผู้แทนที่ดีสําหรับเราเขาจะช่วยเป็นบริหารประเทศในเขตที่รับเป็นที่รับผิดชอบเพระมันดีที่สุดแต่ว่าบังเอิญถ้ามีมนุษย์พวนี้อยู่ที่ไหนพ่อเราช่วยกันกาจัดเสียวิธีกําจัดก็ไม่ต้องฆ่าเขาหรอกช่วยกันพูดตามความเป็นความเปรียตามความเป็นจริงรายงานไปถึงผู้ใหญ่ แล้วคนดูคนที่เป็นผู้ใหญ่เนะี่ยเป็นคนดีแล้วคนเลวถ้าเรารายงานเข้าไปคนคนนั้นไม่มีโทษก็แสดงว่าคนที่รับรายงานนะั้นคนเลวด้วยช่วยกันกําจัดคนทั้งสองประเภทนี้ให้หมดไปด้วยกําลังขประชาชนคําว่ากําลังประชาชนนี้ไม่ใช่ไปร้อนแต่โกลโย่เย้ยเดืขบวนนะชี้แจงเหตุชี้แจงผลจำนวนกันด้วยกําลังเพ ร, ราระเราเป็นผู้เสียบเสียก่อน เพียงเท่านี้แหละประเทศของเราก็จะดีแต่อย่าไปทําลายเศรษฐกิจนะจะไปบก น, นทนทําลายนี่เดินขบวนอย่างนั้นเดินขบวนอย่างนี้ไม่จําเป็นเป็นทะเบียนลงชื่อกันเข้าชมรมพร้อมเพียงกันเพราะว่าคนคนนี้ฉันไม่ต้องการจะเอาออกไปเสียยิงผู้แทนนสันดอในเขคของเราก็ยังดีใหญ่ถ้าทําไม่ดีเนะเข้าไป ฟังประโยชน์ส่วนตนแล้วก็จัดการได้ทันทีจัดการยังไงก็ไปร้องเรียนเขาทุกคนที่ให้คะแนนไปบ่าคนนี้ไม่ดีเวลาพูดพูดว่าจะทำอย่างนี้นี่เวลาเข้าไปแล้วไม่ทําดีตามพูดฉันไม่ต้องกันเมื่อเสียงของคนทั้งจังหวัดทั้งในเขตนั้นทุกคนพร้อมเพรียงกันอย่างนี้ทางราชการเขาก็เอาไว้ไม่ได้ เพราเราเป็นคนเลือกเอาไปเนี่ยไม่เขาไม่ดีแล้วก็เชิญเขาออกไปหาคนใหม่แทนก็ยังได้เป็นอนันว่าเรื่องของความลับที่พระราชาบอกว่าคนจะบอกกับพัญญาที่ดีเวลานี้ถ้าก็บอกพัญญาแล้วพัญญาที่ดีก็กล่อมให้หลับไปเวลาหลับทั่านจะฝันหรือไม่ฝันก็ไม่ทราบคุยเรื่งองเลโบสดของมโหสถต่อไป ต่อมาเมื่อพระราชามมทรงบรรทมหลับไปแล้วพระราชาเทวีโอทมพรก็เสด็จลุกจากที่บรรทมเข้าห้องทรงพระอักษรทรงข่าวให้มโหสถทราบในใจความว่าพอมโหสถน้องรักเวลานี้พระราชาทรงกริวน้องมากพระอาจารย์ทั้งสี่เมื่อกราบชนโ ย, ยงให้พระราชาว่าน้องขิทธบท พระราชาทรงเสืส้อจะรับสั่งให้อาจารย์ทั้งสี่คอยคาดน้องที่ประตูพระราชวังในวันพรุงนี้เพราะฉะนั้นในวันงนี้น้องอย่าไปยังพระราชนักเลยหากจะไปก็ควรจะจัดกองรักษาไวใ้ให้มั่นคงแข็งแรงแล้วก็อย่าไปคนเดียวคนมีมหาชนห้อมล้อมไปเป็นเกียรติยศ ท่านทรงอสอนเสร็จแล้วจะได้สอดเข้าไปในหอ่อถ้าเข้าหอนะั้นนีก็เอาได้ผูกวางลงไปบนสุวรรณภาชนะคือคือว่าผ่านทองคำไอ้สุวรรณไนแใ บ, บทองพัชนะทองคำใบที่ใหม่ที่สดปิดฝาประทับตรา บรรทัพนะ่ะบรรทัพพระราชรัญจาราก่อนคือกรลาของพระเจ้ามดินเนี่ยใครทําแตกไม่ได้ประทานเจ้ น, นางข้าหลวงนะัดว่าเจ้าจงนนําสิ่งนี้ไปให้มโหสดนอนชายพวกเรานี่เขาเห็นตรายอย่างนั้นเขาคิดว่านี่เป็นของพระราชาใครไม่กล้าก็ไม่กล้าแกะไม่กล้าเปิดนางข้าหลงรับของนั่นแล้วจึงได้ไปบ้านมโหสดในเวลากลางคืนนั่นเอง ท่านมาถึงยังนำสวรรค์พระเจนะขับไปให้โมโหสดแล้วก็บอกว่าของสิ่งนี้พ่านนาวทุมพรเทวีสพรราชทานมาแหมเรื่องนี้น่าสนุกนะมโหสดรับสวรรณภารนะและ้วก็นางข้าหลงกลับเปิดฝาสวรรค์พะนะเรียกพรจนะทองคำ เห็นหอ่อแกะหอกมาจึงพบตัวสือเลียวมาอ่านก็ได้ทราบความตามที่บรรนางบอกมาไม่รู้สึกแต่ว่าเมื่ออ่านแล้วเขาก็ไม่รู้สึกวิตกแต่แบการใดเข้านอนหลับสนิทเห็นไหมลูกหลานที่รักคนมีปัญญานี่เขาไม่วิตกตข้างบนทั้งนี้พราพอะไรเพราะเขถือว่าเขาเนี่ยแม่เขามีปัญญาที่แก่แก่ได้ แต่ใ น, นวันรุ่งขึ้นอาจารย์นางสีก็ถือเรื่องแสงขันยืนอยู่ที่หน้าประตูแต่เช้าเมื่อไม่เห็นมาโหสถมาก็เสียใจไปเฝ้าพระราชากราบทูลว่าขอเดชะวันนี้มโหสถไม่มาพราะพุทธเจ้าค่ะพระราชาได้ทรงสันดับก็ไม่ได้ตรัสการใดประรปทับยืนทอดพระเนตรไปทางช่องพระแกร ในขณะนั้นมโหสถอยู่บนรถที่มีมาหาชนห้อมล้อมได้ขณะพอถึงประตูวังเลือกไปเห็นพระราชาประทับเฉยอยู่ที่ช่องมะแกรก็ลงจากรถถวายบังคมพระราชาแล้วยืนอยู่นาทีนั้นพระราชาทอดพระเนตรเห็นกิริยาของมโหสถดังนั้นกเขาดำมีว่าถ้ามาโหสถคิดท่ายวต่อเรา ที่ไหนเขาจะไหวเราเจีงตัดเรียกว่าโคศดให้เข้ามาเฝ้าโคศดเข้าไปกราบถวายบั้งคมแล้วนั่งอยู่นี่ควรส่วนข้างหนึ่งบรรดาบันติเทวสีก็นั่งอยู่เช่นที่นั้นด้วยพระราชาทาไปไม่ทรงทราบอะไรแต่ถามว่าโคศดว่านพ่อโมโหศดเมื่อวานนี้ทําไมท่านยึงกลับไปก่อน แล้วก็เพิ่งมาเดี๋ยวนี้มาที่หลังเขาเธอรังเกียจเพราะได้ฟังอะไรหรือหรือใครพูดอะไรแกท่านขอให้ท่านบอกเรามาตามตรงขอให้บอกเรามาตามตรงนะเราจะฟังเจ้ามาหอสัตบัณฑิตนี่ยกล่าวทูลว่าขอเดชะข้าแต่พระจอมประชากร พระองค์งเชื่อถ้อยคํากล่าวร้ายป้ายสีขมอดิตษฐ์สีและก็มีพระบรมราชองค์การให้ฆ่าฆ่าพระพุทธเจ้าเหตุนี้แหละพระพุทธเจ้าฆ่าฆ่าพระพุทธเจ้าจึงยังไม่มาเฝ้าตามเวลาที่กําหนดให้ฆ่าฆ่าพระพุทธเจ้ามีความรู้สึกว่าถ้ามาตามเวลานั้นก็ถูกฆ่าแน่ อันหนึ่งล่าพระองค์ได้ตรัสความลับที่รับสั่งจบับดิษฐ์ทั้งสี่ข้าพระนาอุทมพรเทวีเมื่อตอนกลางคืนข้าระบายก็ได้ทราบความลับนั้นจนหมดสินแล้วพระพุทธเจ้าเมื่อเจ้าวิเทระเดชสระดับคำากมโหสถดังนั้นก็รู้สึกแปลกปลกเข้าไปในใจสะดุ้งเหวีย อจะมอนี่นี่มันฉลาดจริงๆเราพูดกับเมียในห้องนี่แม่มันย่องรู้ได้ไอ้ความลับนี่มันก็ไม่เป็นความลับที่ความลับของพระองค์ล่วไหลไปเช่นนั้นเจ้าทรงพิโรธหันพระพักไปจ้องอุทุมพรทีวีพระทรงแนบประทไทยว่าพ่ะ น, นางต้องไปพูดเปิดเผยความลับให้แกมหสดรความทรงนิ่งอึงพระพักมนหมอง ใจไม่สบายโอ้มโหสถดทีากายของพระราชานั้นจินตกราบท่านได้ทราบว่าพระราชาทรงพิโรธพระนาทถมพรที่กราบทว่าข้าแต่สมบติเทพพระองค์จะทรงพิโรธพระราชีวีทําไมข้าพระพุทธเจ้าทราบเหตุการณ์ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันได้ดีนื้เขาแก้เก่งไว้น่ะ แทนที่จะป้ายพระนาวุฒพรเขารับเสียเองข้าพระพุทธเจ้ารู้เหตุการณ์ในอดีตที่โลง่งมาแล้วแล้วก็อนาคตในการต่อไปและปัจจุบันนี้ได้ดีข้อที่พนาใจความรับของพระองค์แก่ข้าพระพุทธเจ้านั้นเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งคิดคืออย่าเพิ่งพูดถึงข้าพระพุทธเจ้าอย่าขอกราบทูลให้ทรงทราบว่า พระพุทธเจ้าได้ทราบถึงความลับของมันติดทั้งสี่ได้โดยไม่มีพวกคาโบราณบอกเล่าก่ข้าพระพุทธเจ้าเลยโอ้โหเจ้าเท่าสรารพัดพิษนั่งเหลือแตกหลักเฮ้ยมันจะเอาอยัางไงหนอวะวันนี้เราตั้งจะจะฆ่าหมาอสดหนิไอ้ดาบที่เราจะฆ่าหมาอสถมันจะมาเล่นเราขะละมั้ง ราชาทรงแปลกประไทยในท่านคำของโมสดคำของมโหสถที่บอกว่ารู้ความลับของนาตีทั้งสี่แล้วก็รู้เรื่องราวในอดีตเรื่องราวในอนาคตเรื่องราวในปัจจุบันเช่นนั้นเรื่องที่เราพูดกับพระนางอุทุมพรพระนางอุทุมพรคงไม่ได้บอกไปแต่โมโหสถอาจจะรู้ได้อย่านพิเศษอแม่คิดกว้างเหมือนกัน จิงได้มีพระรจ้าบรมวงค์เจะทราบว่าบรรดาบัณดิตทั้งสี่นี้มีความรับอะไรเลยจึงได้รับสั่งท้งโวสถร์ว่าดูก่อนพอโวสตร์รู้กล้วที่เธอพูดว่าเธอรู้ความรับของบัณฑิตทั้งสี่นั้นขอเธอได้บอกมาโดยไม่ต้องเกรงใจใครเวลานี้เราต้องการความจริง แม่โมฮอสต์ที่นีก่กล่าวทนว่าข่าแต่ประราชาินเซนกได้ททำกรรมชั่วไว้แล้วก็ปกปิดไว้เป็นความลับตลอดคือฆ่าหญิงภาษิยาคนหนึ่งที่ในสวนรังใกล้เมืองนี้เองแล้วก็เครื่องประดับใส่หอผ้านำไปเก็บไว้ในเรือนแขวนอยู่ที่ไม้ทำเป็นรูปใบหง่าชา้าง เสนกได้แจ้งเรื่องนี้แก่เะหายหคนหนึ่งข้าพระพุทธเจ้าได้ทราบความรับของเสนกนี้มานานแล้วข้าพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เป็นขบดตอบพระองค์เสนกตน่นหน้าพระพุดธเจ้าขาเป็นคขบดขอพระองค์รับสั่งให้จับเสนกคนขบด ท, ที่เธอพระพุทธเจ้าข้าเอาคนแล้วสิเอาคนแล้วสิลูกหลานที้รักจำไว้นะ วิธีสซอนกลงซึ่งกันและกันการใช้ปัญญานี่มันมีประโยชน์อย่าถือตำราจนเกินไปตำราเป็นแบบเท่านั้นไอนี้ม่เกิดจากปัญญาปัญญานี่มีความสำคัญมันหัดมันคิดมันใคร่มันคลนมันใจตรองเห็นใครเขาทําอะไรดีก็จะนั่งคิดว่านี่เขาทํำยังไงเนะทําไมเราจึงจะทําได้ใครคนเขาจริงสนใจไม่ท่าแล้วก็ทําได้ สมัยพระราชาได้ทอดพระเนตรโดยอาจารย์เสนก้อก็ถามว่าอาจารย์เสนกตามที่โมโหสดพูดวันนั้นเป็นความจริงไปประการใดหรือเปล่าเอาเราสิเอาเราสิเขานี้ยุ่งล่ะท่านอาจารย์เสนกก็กล่าวทูลว่าจริงพระโยค่ะหนีไม่พ้นแล้วนี่แหละที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าความลับไม่มีในโลกนี่ แต่ความลับเนี่ยจะขืนรู้ทั้งหูที่สี่แล้วก็มันไม่เป็นความลับก็ราชาจนินตว่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็ราชบัลรุดเอ า, จาเจ้าเสนกได้ไปขังไว้ในเรือนจำเดี๋ยวนี้เอาไว้รอการประหารก่อนโอ้โหยุ่งเลยคนยิ่งโจอราชบัลรุดได้นำเสนกไปขังไว้ในเรือนจำตามกระแสพระราชดำรัส แต่วราชาก็ตัธถามโมโหสถว่าแล้วคนอันอื่นมีความลับอะไรอีกพ่อโมโหสถยังเล่าให้ฟังโมโหสถยังกลา่าวทูลว่าข้าแต่พ่อจอมพิเทหรัตน์ปุกุสะมีความลับอย่างหนึง่งคือเป็นคนโลกเรื้อนที่ขาเขาได้บอกความลับกันน้องชาย เมื่ออันหนึ่งพระองค์เมื่อทรงพระยาวได้เคยเอาคิดตะเอาวเสียรนสนานพาดที่ขาปูกุสะบ่อยๆโดยทรงเข้าไาทัยว่าขาปกูกสะอ่อนแต่ที่แท้จริงๆปูกุสะเอาผ้าพันโลกเลือนไว้ที่ข้นขาข้าพระองค์ได้ทราบความลับของปูกุสะอย่างนี้ไปเจ้า่ะ พระราชาทรงทอดพระเนตรดูภูกระส่าแลา้วก็ตัสถามว่านี่ภูกระสาเรื่องที่มโหสถเขาขพูดตัวนี้มันเป็นความจริงยังไงภูกระส่าอาจารย์ภูกระสาก็สารภาพว่าเป็นความจริงพระพุทธเจ่าพราราชาจึงได้ทรงสั่งให้ภูกระส่าไปขังไว้ในเรือนจำอีกหนึ่งคนมโหสถที่นี่กลา่าบถวาความรับข้งกามินตอบว่า ข้าแต่พระองค์พระบรมเสวยกามินถูกยักยํานรเทพสิงได้ร้องส่งเสียงเหมือนสุนัขบา้ากามิ n ได้แจ้งความลับนิการบุตรใช่ไหมถ้าเราแจ้งแจ้งความลับกระบุตรเนี่ยบอกความลับต้องบอกกับคนนั้นคนนี้เนี่ยพระองค์นี่ทรงทราบความลับของกามินอย่างนี้แล้วกา m ินจริงไม่สมคนอยาเข้าในพระราชฐานพระพุทธเจ้ า, าข่า ราชาได้ทอดพระเนตรดูกามิ น, นถามว่ากามินเรื่องที่มโหสถกระพดตอนนี้มันเป็นความจริงหรอยังไงท่านกามินก็กราบทูลรับสารภาพว่าเป็นความจริงพระพุทธเจ้าคา่ะราชารับสั่งให้นํากามินไปขังไว้ในเรือนจำแล้วก็รับสั่งโาโหถมโหสถก็รับสั่งกับมโหสถว่าพ่อมอโหสถ ยังไทยเทยวินีคนหนึ่งมีความรับอะไรบ้างหรือเปล่าท่านมโมโหโกติกลา่าบถึงว่าข้าแต่สมุติเทพเท้าสุชมรีเทวราชคื อ, อพระอินไร์ม่พระร่าะทานแก้วมันนีอันเป็นมงคลปลายเกลียวแต่เท้ากุศรารอเท้ากุศราร์ที่แหมรูปร่างก็ไม่สวยหรอก แต่ว่าได้แก้วมันีรก็สวยฝปล่งมันมีเรื่องอีเรื่องหนึ่งนะประวัติมีอีกถ้าท้ากุศลัดกุศลาดนี่เป็นพรอัยการเป็นตาของพระองค์บัดนี้แก้วมันนีนั้นตกประโยชน์ที่ท่านอาจารย์เทวินไปแล้วท่านอาจารย์เทวินได้บอกความลับนี้แก่มันดาของเขาข้าพระองค์ได้ทราบความลับของเทวินมาดังนี้ เทวินคิดคดธรยศตพระองค์พระพุทธเจ้าข่ารราชาตราถามเทวินว่าจริงหรือเทวินอาจารย์เทวินก็กลับพูดว่าเป็นความจริงพระเจ้าข่าเสร็จหมดสี่คนราชายัมีรับสั่งให้ราชวรวเหืือตำรวจเนี่ยนำเทวินเข้าเรียนจำต่อไป รวมอาจารย์นั้งสามคนเป็นว่าอาจารย์อีกสี่ทั้งหมดมดทั้งสี่คนก็ตั้งใจที่คิดจะฆ่ามโหสถแต่กรรมมันก็สนองกรรมความชั่วก็ต้องเป็นความชั่วเพราะว่าคนดีผีข่มแต่กลับถูกอุโมงค์ผกลับหลังหันตาบันเขาได้สอบกลับเล่นอาจารย์นั้งสี่คนเข้าเรืนจําไปเอง เข้าหลักที่ว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นมันก็ถึงตัวตามที่ลาตัดเขาบอกว่าไงทุกกรโตทุกกรตาทุกขาท่านนังถ้าไกลก่อทุกขักขาากข ง, าขางภายหลังจะนต่นตนจะได้เมื่อชอบสุขสงบสุขก็ย้ายทุกแต่ท่านทุกคนจะมีความสำลานมีความสุขจะว่าตามเขารีหาไม่ได้ลำตัดนะ่ะ เป็นอนุนว่าการอิจฉาดยุสิยาเขาผลร้ายข้ที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าอกุศลมันเป็นผลทําให้ตนเป็นทุกข์เป็นอนันว่าพระเมื่อพระเจ้าวิเทียรราชแต่กัโวสดท่านจึงได้ทรงแต่งกัโวสดว่าพ่อโมโหสดลูกรักเธอมีอะไรที่จะพูดอีกเชิญโทดมาเถิดโมสดก็กราบทูลว่าข้าแต่ ข้าแต่มหาราชพระเจริญพเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้าเลยกราบทูลแล้วว่าบุคคลไม่ควรเปิดความลับแก่ใครๆแต่อาจารย์นังสี่ก็พูดว่าความลับควรจะเปิดเผยในที่สุดอาจารย์นังสี่เขต้องรับโทษเพราะการเปิดเผยความลับข้าพระพุทธเจ้าขอกราบทูลยืนยันยว่า การปกปิดความลับนั่นแหละเป็นความดีการเปิดเผยความลับเป็นการไม่ดีผู้มีปัญญาเพิ่งเปิดเผยความลับได้ในเมื่อการทำกิจการงานมาสำเร็จแล้วฟังใหม่นะเขาบอกว่าการปกปิดความลับนั่นแหละเป็นการดีการเปิดเผยความลับไม่ดีผู้มีปัญญา เพิ่งเปิดเผยความลับได้ในเมื่อทากิจการนั้นสาเร็จแล้วบัณฑิตไม่ควรบอกความลับแก่สตรีและคนที่ไม่เขมิดท้าววิทยาราชทรงพระบิโรธอาจารย์ทั้งสี่ที่ตัวเองทรยศกลับใส่ความกมโอสโซหาว่าทรยศคิดขบถต่อพระโอษฐจึงได้รับสั่งให้พรเจษ ถ้สั่งกับพระเจ้าข้าดวารจงไปนํำอาจารย์นักสี่คนนี่จงไปนาาํนอาอาจารย์สี่คนออกมาจากเรือนจำํำนะเอาไปนอกเป็นละครให้นอนหงายบนหล้าวแล้วก็ตัดที่สาวมาเที่ยวเสียพระเจคาขารับคําแล้วก็ไปไข้คนแก่เรือนจํานําอาจารย์นักเสียออกมามัดมือไผ่หลังนําออกไปนอกเป็นละคร ขวดด้วยไม่เรียวครัง้งละสี่เส้นโอ้โหครบร้อยครยัง้งก็สี่ร้อยอยแล้วก็นำไปยังตะลงแก่สำหรับอาหารชีวิตเตรียมการปักหลักปักหลาวเจ้าอาจารย์นัาสี น, นั้นขึ้นไปนอนหงายบนหลาวเล็กแต่บันดาลูกหลานเล็กเล็กตระหนดายา่าโยมพรตบริษทฆ่าไม่ได้สเสแล้ววันนี้ บุญข้าอาจารย์ทั้งสี่ยังไม่อยู่เพราะเวลามันหมดฉะนั้นเวลาวัสเสบัวันนี้ก็ต้องของดแล้วก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผ ล, ลจงมีแด่บรรดาประชากรทุกคนผู้ได้สนดับสวัสดี